พระธรรมเทศนาแผ่นที่89าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12ทธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าอยู่สถานใดขออย่าได้ลืมตัว วันนี้เป็นวันที่12ทธันวาคมพุทธศักราช2558ันห้อาเม่อวานชาติไทย ป, ประเทศชาติทุกระดับตั้งแต่นายกแล้วก็ฟ้าชาย เป็นประธานปัญนจักรยาน เ, าเพื่อพ่อแสดงออกซึ่งแสดงออกซึ่งน้ำใจถ้าหากว่าพวกเรามีแต่คิดอยู่ในใจเฉยๆก็ไม่มีใครมองเห็นว่าพวกเราล ะ, ละลึกถึงแสดงความจงรักภักดีต่อประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อพระบรมราชินี มากน้อยแค่ไหนเพราะอยู่ในใจมองไม่เห็นต่างคนต่างมองไม่เห็นเพราะนั้นทางรัฐบาลจึงประกาศให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออกเป็นกิจกรรมเป็นกายกรรมเป็นการแสดงออกเรียกว่าปั่นจั ก, กรยานเพื่อพ่อเมื่อเดือนสิงหาคราวนั้นของ้าชายเป็นประธาน แล้วท่านก็ปั่นจักรยานวันแม่แต่วันพ่อคือวันที่ห้าพี่พานมาแล้วก็ท่านก็ปั่นจักรยานเมื่อวันที่สิบอดเมื่อวานทั้งวันอำเภอนายูงของเราก็ปั่นเหมือนกันนะฟังๆได้ยินทุกอำเภอจังหวัดทุกจังหวัดทุกอำเภอแล้วก็ต่างประเทศด้วย คนไทยไปอยู่ต่างประเทศก็จะแสดงออกด้วยกายกรรมกิจกรรมแสดงออกเพื่อพ่อถีบจักรยานเมื่อวานรู้สึกว่าคึกคักพอสมควรฟังฟั ง, ฟงดูกันหลายแสนมือนกันนะแต่พวกที่ทาในต่างหมู่บ้านอำเภอที่จัดเป็นกลุ่มกันขึ้นมาก็คงจะมีอยู่ นับไปทวนเหมือนกันแสดงสรุปแล้วก็คือความแสดงออกซึ่งความน้ำใจแสดงออกซึ่งความกระตันอยู่กระเตะเวที่ตาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าถ้าอยู่ในใจก็ไม่มีใครมองเห็นต้องแสดงออกมาทางกิจกรรมหรือกวากายกรรมมีการปั่นจักรยาน เพื่อพ่อเพื่อจะได้ให้รู้ได้เห็นกันแล้วก็มีการแจกของทีละลึกมีเสื้อมีอะไรเล็กน้อยเพื่อแสดงออกคล้ายๆกับเป็นกิจกรรมอันหนึ่งเพื่อพ่อแลก็เพิ่งผ่านไปแล้วเมื่อวานก็ดังกิจกรรมนี่ก็คล้ายๆว่าประกาศให้โลกทั้งโลก ได้รู้จักว่าประเทศไทยหรือว่าประชาชนชาวไทยยังรักเคารพในสถาบันยังเป็นผึกแผนอยู่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะแต่ที่ยังไงพวกเราวันนี้เป็นวันเสาร์พี่น้องประชาชนศรัทธาญา จ, จงกันมาใส่บาตรตักบาตร ท, ทาบุญ เป็นการส่วนตัวเหมือนกันนะพี่น้อง ล, ลูกหลานเพราะว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนมาให้ลืมตัวไม่ให้พวกเราลืมตัวถึงจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามถึงจะมั่งมีสีสุขร่ํารวยมียศถาบรรดาศักดิ์เงินคําทรัพย์สมบัติ ถึงจะเป็นเจ้าอาวาสอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็เถอะนะหลวงพ่อเองก็ไม่เคยลืมตัวเหมือนกันพี่น้องลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมเพราะว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านเตือนวันท่านบอกไว้เลยนะอภินหาหะปัจเจกปัจเวกเอภินหะปัจเจกคือพิจารณาดหนืองห้าอย่างพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ ทำไมทำไมถึงท่านจึงเตือนไว้ถ้าหาว่าท่านไม่เตือนไว้ท่านไม่บอกไม่กล่าวเอาไวา้พวกเราก็คล้ายๆก็ทํ า, า, าทอะไรทําแบบลืมตัวถ้าว่าลืมตัวทําแบบเป็นศีลเป็นธรรมก็ไม่ไม่ว่ากันทําเป็นศีลเป็นธรรมมีแต่ความเอือ้อเฟื้อเอือ้ออารีต่อกันมีเมตตาต่อกันอันนั้นท่านก็ไม่ว่าอยู่แล้ว แต่โดยมากมันกิเลสพาทำนะทอพอลืมตัวเข้าไปกันนะคิดว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะนิสโสรเลยทำไปอย่างที่ตัวเองอยากจะทำบางทีก็โลอโลอบจนไม่ลืมหูลืมตาเวลาโกรธให้ใครก็โกรธให้ใครจนไม่คิดว่าตัวเองจะตายอซื้อปืนผาหน้าไม้มาสังหารฆ่ามันทิ้งฮะที่คิดว่าตัวเองจะไม่ตายฮ ท่านหลงใครก็หลงที่ว่าตัวเองจะไม่ตายตายไม่เป็นเนีน่ยะพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเตือนเอาไว้ถ้าพวกเราลำลึกอยู่เสม อ, เ, อเรามีความแก่พระองค์บอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้อันนี้ท่านเตือนอไว้ใครๆพวกเราที่เป็นหนุ่มสาวาที่เป็น ผู้ที่ธรรมหาเลี้ยงชีพ ย, ยังมีหน้าที่การงานอยู่ก็จะหลงในหน้าที่การงานหลงในความเป็นหนุ่มของตัวเองหลงในสุขภาพของตัวเองพระพุทธเจ้าจาึงบอกว่าเตือนว่าพวกท่านทั้งหลายให้คิดไว้อยู่ในใจคิดไว้ในใจของตนเองเสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ และให้คิดในใจไว้อยู่เสมอว่าเราจะมีเราจะเจ็บไข้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะอผู้อื่นเห็นทัวผู้อื่นเป็นตัวอย่างถ้าเราอยู่อย่างนี้อยู่ที่สลาแห่งนี้เราก็ไม่เห็นน่ะถ้าเราไปโยงโรงพยาบาล ใ, ใหญ่ใหญ่อยากวันนี้่ะเดินเข้าไปเลยเอเต็มอยู่นู่นละ่ะเหมือนกับรถนมันวิ่งในถนน เออเราก็เห็นมันวิ่งอยู่ในถนนเกลื่อนไปหมดแต่พอเราก็ไปเห็ น, หนในอู่แล้วโอ้โหรถมันมาตายอยู่นี่ตัวนี้เออมันไปไม่ได้มันวิ่งไม่ได้ไม่อยู่ในอู่เนี่ยนะเต็มไปหมดเนี่ะนี่ก็เหมือนกันเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเรมองไม่เห็นแต่พอไปนอนไปโรงพยาบาลเท่านั้นแหละเออนอนหมดสลบสไลด์ไม่มีสติมีแต่สายอะไรพลุงพลังเต็มไปหมด บางทีกับไม่รู้สึกตัวอีกต่างหากทั้งที่พี่น้องไปเยี่ยมก็เฉยเขย่ยาเท่าไหร่ก็เฉยไม่รู้ว่าวิญญาณใจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่แหละอันนี้ให้ เ, าเราก็ํานึกไว้อยู่เสมอว่าเรามีความแก่เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ให้เรานึกอคิดไว้อยู่อันนี้คื จะทำให้จิตใจของเราไม่หลง เ, เราจะเตรียมพร้อมยังไงในขณะที่เรายังแข็งแรงอยู่เนี้ยเราจะทำการทำงานยังไงเราจะส่สแสวงหาคุณงามความดีอย่างไรเราจะเคารพพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างไรเพราะร่างกายของเรายังยังปกติแต่ถ้าไม่ไปเป็นอย่างนั้นเข้าไปเมื่อไรคะเมื่อนั้นอนะ่ะมดสภาพเรว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาให้คิดเอาไว เรามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้ถ้าวันเราคิดดูแล้วมีความตายเป็นธรรมดา เ, ออเราคนเราต้องตายเป็นธรรมดาไม่ใช่ผิด ธ, ธรรมดาไม่ใช่ผิดปกติเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่คนอื่นตายใช่เราก็คิดว่าคนอื่นตา ย, ยอจอะอทำยังไงไล่รักษาสุขภาพไปที่อย่างนู้นอย่างนี้ น่าจะรักษาอย่างงุ่นอย่างนี้น่าจะพักพรอย่างงุ่นอย่างนี้พักพรอไม่เพียงพออาหารไม่เพียงพอเอก็ว่าให้เขาแต่พออีกสักวันหนึ่งเจอกับตนเองเขาไปกับพูดไม่ออกเหมือนกันนะอพราะว่ามันอยู่กับทุกคนอันนี้ก็ให้นึกคิดเอาไว้ว่าพวกเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนพระภิกษุสอนอุบาสก สอนพระภิกษุสามเณร อ, อุบาสิกาในครั้งพุทธกาลนะพวกเราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายให้พวกท่านทั้งหลายสํานึกสำเหนียกไว้ในใจอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปนะเพราะชีวิตนี่นะเรามีความแก่มีความเจ็บไข้มีความตายเป็นธรรมดาแล้วก็ต่อพระปอีกพวกท่านทั้งหลายจะต้องพลัดพราก จากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงอีกในเมื่อพวกท่านถึงจะส ะ, สะแสวงหาเงินคำทรัพสมบัติเพชรนินจินดาที่พักพาอาศัยสร้างบ้านหรูหราโออาขนาดไหนถึงจะมีภรรยาสามีลูกเต้าเล้าหลา น, น่ารักพอใจขนาดไหนแต่อีกสักวันหนึ่งพวกท่านจะต้องได้พัดพลากนะ ต, ต้องทำใจเอาไว้ จะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็อนท่านให้เตือนพวกเราอีกเหมือนกันให้เราสำนึกไว้ว่าอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องพัดพลากจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราที่เรารักทั้งหลายทั้งปวงนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนพุทธบริษัทถ้าหากว่าพวกเราคิดไว้อยู่อย่างนี้เสมอ เราก็รู้จักสถานะของเราเป็นยังไงเราควรจะวางตัวยังไงควรจะเก็บหอมรอมลิบ์ยังไงควรจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรเพราะอีกสักวันนึงเราจะต้องพัดภาคไม่ใช่ว่ า, เ, าเราจะโมโหโกธาโกรธทั้งวีทั้งวันคิดว่าตัวเองจะไม่ตายก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันไหนคือคุณงามความดีควรปฏิบั ต, ติตนอย่างไงกับพ่อกับแม่ กับพี่น้องกับสามีภรรยากับทุกคนที่เกี่ยวข้องอันนี้อันนี้เราต้องคิดไว้อีกสักวันหนึ่งเราจะต้องพัดภาคไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะอาจจะเร็วหรือช้า่จะต้องพัดภาคแน่อันนี้เราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจจากนั้นเราก็เมื่อพัดภาคไปแล้วเราจะต้องได้รับกรรมคือการกระทำของเราถ้าเราทากรรมดีเราก็จะได้รับ บนผลบุญกุศลก็จะเข้าเข้ามาสู่จิตใจของเราถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะเข้าสู่จิตใจของเราเพราะนั้นใจของเราเนี่เป็นคลังหรือว่าเป็นที่รองรับทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเพราะนั้นให้จำานึกไว้อยู่เสมอเราควรจะคําหาแต่สิ่งที่ดีกรรมดีขนเข้ามาสู่จิตใจสิ่งที่มันชั่ว คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วทั้งหลายไม่ควรจะทำควรจะคิดดีทำดีพูดดีเข้าสู่จิตใจในเมื่อคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจแล้วใจของเราเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณงามความดีเมื่อพัดพรากจากไปเราจะต้องได้รับกลับกรรมคือการกระทําของเรา เมื่อเราไร้รับทับรับกรรมรกรรมดีทั้งนั้น เ, เมื่อเราจะไปที่ไหนกรรมดีส่งเสริมถ้าเราชำระกิเลสได้กรรมดีของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็เป็นพระพุทธทเจ้าเป็นพระอรหันตสาวกถ้าว่าเรากำทำไม่ถึงขนาดนั้นก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นพรหมสุทถวายหาชั้นหรือผมชั้นใดชั้นหนึ่งถ้าว่าต่ากว่านั้นลงมามาเกิดสวรรค์ ออกมาสวรรค์กันหลายชั้นอีกหกชั้นถ้าว่าไม่ถึงขนาดนั้นเราอาจจะมาเกิดเป็นภูมิมะลุกขะเทวดาก็ได้ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราเลือกเกิดได้เราจะเกิดในสกูลไหนเออชาตินี้เราเกิดมาจะได้เกิดชาติหน้ า, าขอให้ข้าพ เ, เจ้าไปเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ เราจะไปเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิพอเกิดมาแล้วจะได้บวชในพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมหรือว่าเราจะไปเรียนไปเป็นเกิดเกิดเป็นลูกผู้มีอำนาจวาสนาปกครองประเทศชาติเป็นเจ้าเป็นนายหรือเราเราจะไปเกิดเป็นลูกพ่อค้าวานิชธรรมาค้าขายหรือเราจะไปเกิดเป็นลูกครูบาอาจารย์ เกิดขึ้นมาแล้วจะได้เรียนได้ศึกษาวิชาความรคเสียงเหล่านี้เมื่อเรามีบุญเราไปเลือกเกิดได้เนี่อันนี้แหละเมื่อเราทำกรรมอันไหนไว้เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะนั้นในเมื่อตํากว่านั้นลงไปเอาละไปเป็นเปรตอะตถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้นะไปเป็นเกิดไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉน ต่ำกว่านั้นลงไปอีกไปตกนรกอต่ำกว่านั้นลงอีกไปเกิดเป็นนรกหลุมลึกลงไปเถเนียฮอย่างหลวงตามหาบัวท่านบอกว่ากิเลสโลกก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีเนี่ยทําโทษให้กับคนเนี่ยเพียงขนาดใดขนาดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่นะเอาขนาดนี้พอแ ล, ะละ้วล่ะทําโทษให้กับคนอกิเลสมีมแต่ขยําให้คนตกทุกข์จนถึงที่สุดๆุด เอออันไหนที่สุดเอ่กิเลสมัน ม, มีไม่มีความปราณีสําหรับเรากิเลสโลภโกรดลงเพราะฉะนั้นต้องชําระอชําระต้องเห็นโทษกิเลสของตอนเองกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะจะทํำยังไงจึงจะถอดถอนกิเลสภายในใจของเราให้ออกได้ให้หมดนี่แหละอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราคณะัตถาญาติโยม ทุกคนนอะอันนี้เป็นการกล่าวย้ำเตือนว่ า, เ, าเรามีความแก่เจ็บตายพัดพลาดแล้วก็ได้รับผลกรรมที่ตนได้กระทาไว้ทํากรรมดีเราเดบเราจะต้องกรรมดีต้องส่งเป็นสู่ความสุขแต่ละทําทกรรมชั่วกรรมชั่วก็หาส่งมาหาความทุกข์สรุปแล้วก็คืออย่างที่คุณแม่แก้วพูดนั่นแหละ โลกในโลกหาได้เราจะหาอะไรเข้ามาสู่ตนเองเราจะหาดีจะหาชั่วจะหานรกนะหาสวรรค์หาทุกข์หาจนหาความร่ำรวยหาคุณงามความดีหาชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงหรือหาคุกหาตรางใส่ตนเองหาได้ทั้งนั้นโลกนี่โลกหาได้เพราะนั้นพวกเรา ต้องใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิจากนั้นก็ใช้แน ว, แ, นวแถวของพุท ธ, ธะที่ท่านให้คิดยังไงท่านหาอย่างไรหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราแต่พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ปร ะ, ประมาทแล้วก่อจะมองเห็นนะจากนั้นก็ประกอบคุณงามความดีนะจะตั้งอยู่ในความประมาทถึงไงยังไงไม่ถึงร้อยปีถึงจะเลยร้อยปีไปแล้วก็หมดสภาพ พูดอย่างนั้นได้แต่ถ้าต่ำร้อยปีลงมาเนี่ยพองอปแงมถ้าหากว่าเลยร้อยปีไปแล้วต้องพึ่งพาอาศัยเกาะซ้ายเกาะขวาประยุงหน้าประยุงหลังหามละทีนี่มันเป็นโดยมากมันเป็นอย่างนั้นที่จะวิ่งได้ไม่มีทางที่จะทำไปเป็นไปได้ร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทมีความแก่ ตายเป็นธรรมดาจะต้องพัดพลากจะต้องได้รับผลกรรมที่ตนได้กระทาไ ว, นนา เ, วเนี่ยอภินหะปัจเจเวฆณะห้าข้อนี่ต้องคิดไว้ในใจของพวกเราอยู่เสมอเสมอนะอันนี้ก็เป็นการย้ำเตือนไม่ใช่ให้พวกเราหดหูนะทางนี้เท้งนั้นอย่าไปหดหูหดหูก็เท่านั้นแหะหดหูก็คือความโง่เข้ามาอยู่ในจิตใจของเราอีกหดหูไปเพื่ออะไรโลกนี้โลกต้องสู้ อันไหนสู้ยังไงสู้ประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีย่าทำํทำทําแต่สิ่งที่มันดีนั่นแหละให้สู้อย่างงั้นนี่แหละถ้าว่าสดหดหูเข้าไปกันอย่าคิดถึงความตายคิดถึงความพัดพลาดหอเหว่านั่นแหะความโง่อีกประเภทหนึ่งไม่ใช่โง่เล็กๆนโง่งใหญ่ที่เดียวะอะไตัวนั้นอ่ะเพราะนั้นเราต้องคิดเอาชนะตัว น, นั้นให้ได้อีกเหมือนกันเราต้องประกอบคุณงามความดีนะ สรุปแล้วก็คิดดีทดําดีพูดดีนะนะั่นแหะสำหรับพวกเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วตั้งตนไว้ให้ชอบนะเอาต่อ น, นี้ไปรับพอในตนีนะ่า